ตัวบนลงไปแล้วตัวล่างค่อยทํางานงี้เข้าใจถูกไหมครับหรือว่ามันแยกกันทําไม่ถูกครับมันแยกกันทําหรครับแต่ว่าจริงแต่ว่าพอเราเอาสติไปข่มนะตัวล่างมันก็ทํางานอย่างที่เราต้องการมัไปบังคับไวพอเราไม่ได้บังคับตัวนี้ก็ทํางานอิสระไปตามความเคยชินของมันรวงความก็คือทํางานไม่เลิกหรอก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 อ้าวาครับผมเด็กถามหลวงพ่ออย่างขนาดที่เราบางครั้งผมนั่งรถอะครับแล้วก็มองไปข้างนอกมองไปแบบกว้างๆไม่ได้เจาะจงครับทีนี้พอสักพักมันมันก็จะไปคิดเรื่อ ง, งอื่นคือสะโพตรงนั้นก็จะรู้ทันที่ไหลไปคิดปั๊บแต่ว่าบางครั้งขณะมองๆเนี้ยเราก็เหมือนจะไปไปไปสนใจหึงจุด น, นึงแป๊บหนึ่งนะเเจ็ทอะไรเออให้รู้ทันนะหลงนะ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 แต่ถ้าใจของเราสมาธิมันล้ำหน้าเนี่ยมันไม่จำมันจะทิ้งไปเลยมาอยู่กับความเฉยเยสบายไม่จำไม่คิดไม่นึกอะไรสมาธิมันเยอะไปแต่เนี้ยสมาธิล้ำหน้าไปนิดหนึง่งไปส่งต่อไปไปทางไหนก็ได้นะเดี๋ยวหลวงพ่อบอกก่อนกติกาเวลาส่งต่อมาเนี่ยไม่ต้องเครียดนะ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 ถ้าถ้าอย่างนี้ไม่นานใช่ไหมคะไม่นานหรอกจะได้มีกำลังใจเอเออไม่นาน <c oughs> ใช้ได้นะทาทั้งแม่ทั้งลูกอรัมัศการครับผมเพิ่งพาคุณแม่มาผมกับคุณแม่เพิ่งมาเป็นครั้งแรกคือก็ฟังซีดีหลวงพ่อได้ประมาณสาสี่ <c oughs> เดือนนะฮะก็ปฏิบัติแบบพองยุคมาก่อนก็ตั้งแต่ฟังซีดีก็พ อ, อยสังเกตตัวเองฮะก็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 จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลคอยรู้เรื่อยๆนี่เป็นการหัดรู้สภาวะนาน า, นาชนิดนั่นเองถ้าเราหัดรู้ทุกวันทุกวันนะต่อไปจิตมันจะจําสภาวะได้แม่นมากขึ้นมากขึ้นจําได้แม่นขึ้นจําได้มากขึ้นนะเช่นใจลอยแวบเนี่ยสติะระลึกได้แล้วว่าใจลอยมันรู้เองว่าใจลอยไปแล้วโวกโรธขึ้นมาปั๊บโกรธขึ้นมาปั๊บสติะระลึกได้ว่าโกรธแล้วนสติจะเกิดเองในชีวิตประจำวันแล้วจะไม่หลงนานหรอก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 รู้สึกไหมเราอยากดับมันอยากแก้ไขนั่นเพราะว่าเราอยากดีเราอยากสุขเราอยากสงบนะต้องปรับโลกทัศน์ิดหนึ่งนะปฏิบัติเพื่อเอาความจริงให้เห็นว่าความความกโกรธก็เป็นของแปลกปลอมเข้ามาช่วครั้งช่วคราวเวลากโกรธขึ้นมาอย่าอยากไล่ให้หายไปพอกโกรธขึ้นมาแล้วคอยดูใจของเราดูซิเธอจะกโกรธนานสักแค่ไหนจะกโกรธได้ตลอดไปไหมถ้ากโกรธได้ตลอดไปนั้นเราก็เลิกศาสนาพุทธไปไม่ต้องนับถือแสดงว่าสอนไม่จริง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 อาจจะฝึกลมหายใจหรือจะฝึก้องยุคไปไก่อนได้ฝึกพองยุคก็ได้อะไรก็ได้ที่เคยทำแล้วสบายนะถ้าทำแล้วเครียดไม่เอาเปลี่ยนซะแต่แต่พอทำมันรู้สึกจะติดตรึง น, นั่นเราเคยชินที่จะตรึงรถ้าไม่ตึงจิตไปตรึกรู้ทันว่าไปตรึงนะครั บ, ค, รบคือเราฝึกเนี่ยเพื่อเพื่อซ้อมดูสภาวะแต่เดิมเราฝึกเอาดีนึกออกไหม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 ลืมการปฏิบัติไปลุกขึ้นมาร้องเพลงให้เพื่อนฟังแล้วเพลงก็ได้นะอนี่หลวงพ่อพูดขนาด น, นี้ยังไม่ยอมหลุดเลยอ้าวต่อไปท้มามัสการอ่าโทษครับน้ามัสาการท้มามัสา ก, การหลวงพ่อครับนพิ่งมาครั้งแรกครับแล้วก็ตื่นเต้นมากอ อ, อยากให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะด้วยครับพอใช้ได้แล้วฟังซีดีหลวงพ่อมา่า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 งานทางโลกนะไม่มีวันสิ้นสุดอย่างเราทํามาหากินเนี่ยวันนี้ไปทํางานมาได้เงินมาก็าไปใช้นะเดี๋ยวก็ต้องไปทําอีกเงานทางโลกไม่มีวันสิ้นสุดหรอกแต่งานทางธรรมนะมีจุดที่สิ้นสุดคราวนี้จะทราบได้ยังไงคะว่าตรงนั้นสิ้นสุดแล้วตอนนี้ยังนะเออยังไม่ต้องทราบนะอันนี้ทราบว่ายังไม่สิ้นสุดนะโลกธาตุมันแทบถล่มเลยนะสิ้นสุดนะน้ำมัสมั่หลวงพ่อค่ะอยากขอคําแนะนำํำอะค่ะอืม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 เกลไกลกระจา ย, า ย, ายนี่มันถูกเรากดไว้ใช่ก็จะเป็นอย่างนี้เกือบตลอดเวลาเออในแหนทั้งนั้นคงเป็นเพราะไอ้กดมันเข้ า, ขานะหลายคนนะบอกหลวงพ่อว่านี่ฉันแมมภาวนาแล้วมันยอกนะเดินมาอย่างนี้นะไปหาหมอมาหลายโรงพยาบาลนะหมอไม่เก่งหมอเลี้ยงไข่อโอ้หมอเทวด า, าก็รักษาไม่ได้นะเพราะเวลาคิดเรื่องปฏิบัติเนี่ยบังคับตัวเองเกรงตลอดเลยของโยมต้องคลายออกนะ ค่อยๆคลายทำใจให้สบายลืมคําว่าปฏิบัติไปก่อนแล้วเวลารู้ตัวว่าหนีไปคิดแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะคิดอยู่อย่างนั้นไม่ค่อยจะให้รู้ว่า<ม>อยากคิดไปหนีไปคิดรู้ว่าหนีไป ค, คิดอยากคิดรู้ว่าอยากคิดนะอย่าดึงคืนมาถ้ดึงคืนมาแล้วจะแน่นๆสรุปว่าต้องให้คลายการอยากปฏิบัติใช่ใช่ความอยากปฏิบัตินั่นแหละศัตรูของการปฏิบัติเป็นมากเลยใช่ไหมคะใช่ส่งต่อไป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 ด้การทำกรรมาฐานสักอันหนึ่งนะเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรก็ได้แล้วก็คอยรู้เท่าทันใจของเราเสียงลมมันพัดหรือไงหไหมใจหนีไปฟังลมตั้งครึ่งห้องเลยนะนี่หลวงพ่อประท้วงเลยเห็น <c oughs> <c oughs> ไหมไหมหลงอีกแล้วเห็นไหมหลงีกแล้วหลวงพ่อครับจิตอย่างผมก็คือว่า